ธรมสรรักรชามีสังขังสร ความเดิมตอนที่แล้วสมามดีพรมมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อราษนาเสด็จไปโปรดสรพสัตว์หลายพระพุทธเจ้าทรงเปรียบทุกคนประดุลดอบูสีหลา่าและสามเห ล, าล่านั้นพึ่งสัางสอนได้จึง ร, รับราธนาเริ่มแรกสมคิดจะไปโปรดพัชนกชนนีแต่ก็ทรงรู้ว่ายังไม่ถึงเวลาเมื่อสงคิดจะโปรดอาราาบทและอุทกดาบทซึ่งมีปัญญา และเคยเป็นอาจารย์ของพรคมาก่อนที่ระดาก็มาถูนว่าดาหมดทั้งสองสิ้นชีพแล้วจุุตีไปบัรเกิดเป็นอรูปปรพรมบนสวรรค์ชั้นพระมรุกแล้วจึงต้องหาพระที่มีความเหมาะสมต่อไปเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปขอเชิญติดตามรับฟังละครวิทยุเรื่องพระพุทธเจ้ามหาพุแห่งจชุทธวิตอนที่28ได้นะ เทพยดาทั้งหลายผู้ท่านควรจะรับคำตอบจากพระพุทธองค์แล้วใช่ไหมว่าจะสืบไปโปรดเทศนาสั่งสอนผู้ใดเป็นลําดับต่อไปหรืออาจจะเรียกว่าเป็นลําดับแรกก็มาได้พระผู้มีพระภาคตัดว่าปัญจวคีจังห้าแม้จะมีมิจฉาทิฐิแต่ก็เป็นผู้มีปัญญาและเป็นผู้ที่เคยปฏิบัติวัฏถากตถาคตมานานด้วยอธิษฐานว่าจะขอฟังพระธรรมเทศนาหลังจากที่ตถาคตตัดสรู้แล้ว เรื่องก็เป็นเช่นนี้แหละท่านเท้าหมหาพรหมแล้วองค์อมรินท่านได้ใช้ทิพยเนรสอดส่องดูหรือไม่ว่าเวลานี้เราบรจารจวคีพากันไปบำเพ็ญเพียรที่ไหนหลังจากที่พากันไปจากพระบรมศาสดาพระหมดความเมืมสายสถาแล้วนะข้าพเจ้ายังไม่ทันใช้ทิพยเนรสมเด็จพระพุทธโคดมท่านก็ทรงใช้พุทธญาณแจ้งในเหตุว่าเราบัญจวคีทั้งหลายในเวลานี้ บำเพ็ญภาวนาอยู่ที่ป่าอิสิปัฒนะมรุกทายวันในแคว้นพาราณสีขณะนี้พระพุทธองค์กำลังทรงทรัศนาต้นพระสีมหาโพก่อนจะเสด็จเดินทางไปผู้ข้าพเจ้าไม่เข้าใจสีมหาโพก็เป็นแค่ต้นไม้ใหญ่เท่านั้นเหตุใดพระผู้มีพระภาคท่านต้องทรงล่ำร้าด้วยล่ะมีเรื่องสงสัยอีกแล้วเหรอทเทพยดาทั้งหลาย พระบรมโพธิสัต์ได้ตรดสรุที่ใต้งนามไม้พระสีมหาโพธินี้ย่อมจะส่งมีความมาไตยและส่งรละลึกในบุญคุณที่ได้ความร่มลื่นเย็นสบายจนพระบริการมีความผ่องใสบังเกิดสมาธิได้และมีพระปัญญาบรมีนสทีที่แท้เป็นเช่นนี้ ดูก่อนต้นโพอันเราตาคตได้อาศัยร่มเงาของท่านจนสำเร็จสัพพันยูจึงถือได้ว่าท่านเป็นผู้มีคุณเพราะได้เกื้อหนุนต่อเราไม่น้อยก่อนจะจากกันไปเราตาคตจึงขอให้พรแก่ท่านว่าในวันข้างหน้าชื่อของท่านสีมหาโพจะเป็นที่เคารพตอบพุทธบริษัททั้งหลาย ใบของท่านก็จะเป็นสิ่งที่มีค่าและควรแก่การบูชาตลอดกาลละนานปุถุชนที่ผ่านไปมาจะน้อมศรีรษะและประนมกรยกมือไหว้ด้วยมีใจละลึกถึงตถาคตที่ตรัสรู้ใต้ร่มเงาของท่านนี้ชาติภัณฑ์ของท่านที่แพร่ไปก็จะเป็นความน่ายิน ด, ดีร่วมไปกับนิโครทะ ในานามร่มโพงร่มใสเพราะพมีพระพาเจ้าเสด็จจากไปแล้วพวกเราท่าน ณที่นิก็หมดหน้าที่และจงกลับไปสถิตตามวิมานอันเป็นว่าสถานของท่านเถิดแต่พวกข้าพเจ้าบังเกิดความสงสัยอีกจนได้นะท่านเทพพ ย, ยดาเอ้ามีอะไรก็ว่ามาจะได้คลายหายจากความข้องใจทางไปปลายสิบปะตะนน้ำมฤคดายวันนั้นไม่ใช่ใก ล, ใกล้ๆพระพุทธองค์สเสด็จพระดาเนินไปด้วยพระบาทเปล่าไม่รู้จะถึงเมื่อไหร่หรืออาจประสบอุปสรรคอันใด ถ้าเป็นพวกข้าพเจ้าปานเนี้คง ห, ออห่อเหินเดินอากาศไปด้วยพุท ธ, ธานุภาพแล้วผู้ท่านถึงไม่มีบุญญาธิการบุญบา ร, รมีพอที่จะตรัสรู้เช่นเดียวกับพระบรมโพธิสัตว์อย่างไรล่ะเคยเคยบอกแล้วว่าพระพุทธองค์จะไม่สรงใช้บุญฤทธิ์นอกจากจําเป็นเท่านั้นงั้นพวกข้าพเจ้าทั้งหลายจะขอโดยเสด็จพระพุทธองค์ไปเผื่อว่าการได้อยู่ชิดใกล้หรือถาวายอาราขาจะเป็นการเพิ่มมหากุศล และบุญญาบามีแก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายและถ้าจะทรงพระเจนาที่ไหนพวกข้าพเจ้าก็จะพลอยอาศัยฟังพุทธธรรมที่นั่นบางทีอาจจะบรรลุอรหัตเข้าสู่อรหันต์ก่อนพวกท่านก็ได้นะพวกข้าพเจ้าตามเสด็จไปก่อนละความจริง ความคิดของเทพพยายดาทั้งหลายก็นับว่าน่าสนใจจริงไหมท่านเท้ามหาพรหมจริงสบหรับข้าแต่ว่าท่านยังไม่เหมาะสมรองท้ากุศีเพราะท่านยังยินดีในการอยู่ไม่อาจตัดจากชา ย, ยาทั้งสี่นางคือสุรันทาสุจิตราสุธมาและสุชาดาไนะ้นั่นสินะบนชากามาวาจรชั้นดาวดึงของข้าพเจ้าก็ยังมีเทพอักษรอีกมากมาย ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ผู้ใดจะมีพระไทยอันยิ่งใหญ่เช่นพระพุทธโคโดองนี้เอ๊ะนั่นมีทหารจํานวนมากกําลังโครงเข้ามาน่าจะเป็นข้าทหารจากกรุงกบิลละพัทที่พระเจ้าสุโธธนะมีรับสั่งให้มาตามเจช้ชายศินธะพระโอรสเสด็จกลับไปท่านคิดว่าข้าพระเจ้าควรจะเข้าไปบอกพวกเขาไหมว่าพระพุทธองค์ที่พวกเขากําลังตามหากําลังเสด็จไปทางไหนทุกคนจะได้ตามไปทันไม่หลงไปทางอื่น เปะป่ากไปเหมือนงมเข็มในมหาสมุทร ก, กว้างใหญ่ไม่มีทางพบได้โดยง่ายชาวบ้านตามรายทางที่ผ่านมาต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า นักบวชหนุ่มใหญ่ที่มาพักในบริเวณนี้น่าจะเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะที่พวกเรากำลังตามหานั่ น, นสิท่านคุณทหารโฮนักบวชนั่นมีลักษณะมหาบุรุษ32ประการเหมือนกับเจ้าชายและใต้ต้นโพต้นไซต้นจิกและต้นเกตที่อยู่ใกล้กันนี้ก็มีร่องรอยของผู้พักอาศัยอยู่นะและมีหญ้าที่ปูลาดไว้เหมือนอาสนบรลลังแต่กลับว่างเปล่าไม่มีใครนั่ง แล้วเราจะทำอย่างไรดีล่ะท่านคุณทหารผูกเจ้าแยงย้ายกันไปผลให้ทั่วและกลับมารายงานข้าอย่าให้มีใครรอดสายตาไปได้ข อ, ขอรับท่านคุณทหารทหารเป็นร้อยหาเจ้าชายองค์เดียวไม่พบให้มันรู้ไป ทหารค้นหากันใหญ่แตย่อมจะคว้าน้ำเหลวเพราะไม่เจอผู้ใดก็ใช่น่ะสิเท้าโกศีรอบพระบรมาสาราเพงจะเสด็จไปเมื่อช้าเองข้าพระเจ้าจึงมีความคิดที่จะไปแจ้งแกพวกเขาอย่างไงล่ะช้าก่อนอุมขวานท่านคิดจะทำตนเป็นมารหรืออย่างไรข้าไม่เข้าใจท่านเท้ามหาพรหมเหตุใดท่านจึงจะมีข่าด้วยถ้อยคาอันหนักหนาสาหัสเช่นนี้ข้าคิดจะทาด้วยความประสงดีนะ ก็สงดีกับผู้ใดละองค์อินหาฐานทั้งสิน้นเลยว่าพระบมศาสดาเ ส, สด็จไปทางไหนก็ย่อมจะรีบตามไปและไม่ชาน่าจะข้าความดแล้วถ้าพวกเขานำเสด็จพระพุทธองค์กลับไปไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนจะทรงเทศนาสารสอนพุทธธรรมแก่สัตว์ลุทัลายได้อย่างรอย่างนี้ย่อมเป็นที่สนใจของมารายเท่านั้นนะข้าพเจ้าเข้าใจแล้วท่านเท้ามหาพรหมผู้เป็นใหญ่นั่น เหล่าทหารทั้งหลายพากันกลับมาข้าพเจ้าจะนิ่งเฉยเสียไม่บอกกับผู้ใดขาว่าท่านคุณทหารพวกเจ้าจัดการแยกย้ายไปค้นหาเจ้าชาย ได้ร่องรอยอะไรกันบ้างไหมนอกจากมีร่องรอยการพักอาศัยที่ต้ต้นไม้ใหญ่ในบริเวณนี้แต่ไม่พบผู้ใดที่พอจะไต่ฐานได้เลยขอรับพวกข้าจึงพากันกลับมารายงานท่านขุนทหารเพื่อจะได้สั่งการต่อไปขอรับจเจ้ายังไงดีเราตั้งค่ายพักในบริเวณนี้สัก 3-4 ี่วันเผื่อว่าจะมีใครกลับมาหรือมีข่าวที่น่าสนใจใกว่านี้จงช่วยกันตั้งค่ายทันที ขอรับท่านคุณทหารเป็นนั่นผู้ใดกำลังผ่านมาทางนี้ที่แท้เป็นนักบวชอันชวีวันอ่อนไส่ ไม่สกปรกครุงรังมองแแมมเพราะเปือยร่างกายเหมือนอาชีวกะยิ่ยงเราจะว่าเป็นพระผู้เป็นเจ้ า, จาก็ไม่น่าจะใช่แต่ถ้าเป็นปุถุชนธรรมดาก็ดูดีมีสง่าเกินไปดูก่อนอาชีวกะท่านมาขวางเราตถาคตไว้เพื่อประสงค์ในสิ่งใดดูก่อนอาวุโส ข้ามีนามาอุ ป, ปกะนับถือในลัทธิอาชีวกะหรือทิคัมพรเห็นผิวพรรของท่านผุดผ่องใสเป็นที่สบายตาสบายใจจึงใคร่จะถามท่านว่าท่านบาเพ็ญเพียรตามใครผู้ใดเป็นศาสดาหรืออาจารย์ผู้สั่งสอนท่านดูก่อนอาชีวกะเราตถาคตไม่มีอาจารย์ไม่มีผู้ใดสอน แต่รู้จบหมดได้ด้วยตนเองผู้ที่เป็นเหมือนเราก็ไม่มีผู้ที่จะเปรียบกับเราก็ไม่มีทั้งในโลกนี้และเทวโลกเราเป็นผู้ดับโศกหลุดพ้นจากภาวะตัณหากําลังเดินทางไปแคว้นพาราสีอาวุโสท่านได้ตรัรู้แจ้งในอมาตะธรรมเหมือนที่บอกกันข้าเรือร่อยใช่เช่นนั้นอาชีวะกะ อืก็อาจเป็นได้อุกโศแต่ข้ายังไม่แน่ใจจึงขอลาท่านไปก่อนอุปกาอาชีวกะผู้นี้ยังมีความลังเลสั่นไหวไม่แน่ใจในเราตถาคตเพราะยังมีวิบากกรรมบางตาไว้แต่ก็เปรียบดังบัวใต้น้ำที่อาจจะบานในวันหนึ่งได้เราจึงไม่บรรยายพุทธธรรมในวันนี้ จนกว่ากาแพงแห่งวิชาทิธฐิอันหนาแน่นที่มีจะพังทลายลงและเราคงจะได้พบกันในวันข้างหน้าน่าเสียดายแทนเจ้าดินาธีอุปการฉีปเปลยนี่จริงๆอุตสห์มีบุญเป็นมหาบุศุช่วยโดนให้ได้เข้าฝ้าพระบรมมาศาสดา กลับสายหน้าเดินหนีไปด้วยความลังเลใจเสียได้ก็นเนี่ยไงล่ะพวกเราเหล่าเทพทั้งหลายถึงได้มีคํากล่าวว่าคุณมีแต่กมบังหน้าอย่างนี้คงจะอีกนานกว่าจะเข้าถึงซึ่งพุทธธรรมอย่ามัวพร่ำพรรณนาอยู่เลยพระบรมสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จไปนู่นแล้วเห็นไหมเราก็เห็นเช่นเดียวกับพวกท่านเทพทั้งหลายงั้นจะมัวชักช้าให้เสียเวลาทําไมคือต้องรีบตามสเสด็จไปกันซิ โมฮาเห้จาก็จะไปเดี๋ยวนี้ ทหารจะไปก็รู้จ้าพวกเราจะไปทำบุญทำทานด้วยการตักบาตรกันหนาถาวบ้านเราจะมียาตบมาขอทานหรือเปล่าคะโอ้ยจไม่รู้อะไรนังหนูผู้ที่เรามนตักบาตร้องไปใชยากันจที่ไหนแต่เป็นนักวดหนุ่มห่มใหญ่ที่เรียกว่าปัญจวัคคีย์เน่ๆใช้นังวนถึงกับนั่งเดินดุมดุมมาทำเรื่องราวแล้วยายเถ่าโอ้ยตักเถ้าหนิ ทัไม่รู้เรืออะไรก็บอกหลยว่าเป็นจักรันเจ้าวักฮีต้องมีห้าลูกสิไม่ใช่รูปเดียวอย่างนี้โผไอ้แต่นักปวดที่เดินมาดูรูปร่างหน้าตาดีดีดูสงบสมรมหน้าเลื่อมใสงามสง่ากว่าชายใดที่ข้าเคยพบเห็นมาข้าว่าพวกเราไปตักบานักปวดรูปนี้กันดีกว่าถ้าจะทักบากับนักปวดนี้ชาใจฉาสักน้ำนะเนี่ย เก็บปริยาบ้านี่ไม่ไดสาบ้านนียแต่ว่าพูดไปแล้วท่านก็มีลักษณะอะไน่าจริงจริงนะพูดมานี่มอนเจ้าค่ะนิโมนยังไมก่อนเจ้าค่ะนิโมนเจ้า มาจากที่ไหนแลจะจาริบไปที่ใดเจ้าคะเราตะถาคตมาจากตำบลอุรุเวลามาที่เมืองพาราสีแห่งนี้เพื่อพบกับนักบวชปัญเจวคีทั้งห้าผู้ท่านเคยมาพิกจาอาหารที่หมู่บ้านนี้เจ้าคะ่ะแต่เวลานี้ต่างพาเดินไปบำเพ็ญโทนาที่ป่าอิสิปตานามาริคัทายวันเราคิดจะไปที่นั่นโอ้าเท่นนั่นก่อนนี้มโนนะเจ้าคะ่ะเอ ไม่รอประธานนักบวชนี่มีความประสงค์สิ่งใดเอืะเราควรจะไปบอกกับท่านปัจจวคีทั้งหลายรู้ตัวก่อนที่ไม่เนาะจะได้เตรียมตัวพร้อมไว้แหละอ๋อเนาะอ่าคุณทํามาต้องไปเพราข้ากับภรรยาก็จะไปหายาติ่ป่าอิสกุตนับฤกษ์ทายวันอยู่พอดีเลยอืถ้ากับสามีแจ้งแก่ปัจจวคีเองก็ได้เดินไปช่วยยามก็คงถึงที่นั่นใช่จับคันไว้อย่าเดินชาแล้วกันเดี๋ยวท่านนักบวชนี่ก็ถึงก่อน คงไม่หลอกเจ้าค่ะท่านป้าพอท่านน่าจะเสียเวลาฉ่นอาหารตอนจะเดินไปและข้ากับสามีเป็นคนเดินไว้แหมงั้นเราไปกันดีกว่านะอีกพูดมาอยู่สิข้าขาดไปแล้นนะ นี่แหละเจ้าค่ะนักบวชหนุ่มรูปงามไม่รู้ว่ามีนามว่าอะไรบอกกับทุกคนเพียงว่าเดินทางมาจากอุรุเวลาเสนา น, นิคมเท่านั้นอ่ะเขาบอกว่าจะมาท่านเทนิคเขารับอีกไม่ช้าก็คงจะมาถึงความสูงสง่ามิราสีของเขาทําให้พวกเราตะลึงไปตามๆกันและพันรู้สึกปราบปื้มใจไม่ได้ทําทานด้วยการใส่อาหารลงไปในบาตรของท่านเจ้าค่ะอาตมารู้แล้วว่านักบวชมันเป็นผู้ใดถ้ามาจากตําบลอุรุเวลา ก็ไม่น่าจะเป็นผู้อื่นไปได้น่ะท่านโกทัญญานอกจากอดีตเจ้าชาสิตตะถถหรือสมณะโคโดมเท่านั้น เ, เมื่อบุ่ันลูกแล้วค่ะทั้งสองกับของลาแหล ะ, จะเจริญพรเธอดท่านสองสา ม, มีภรรยาอาตมาขอให้เดินทางโดยสวัสดีพวกเราถ้าจะมีปัญหากันซะแล้วสิมีปัญหาได้หรือท่านมหานามะสมณะโคโดมเดินทางมาพวกเราถึงที่นี่พวกเราควรจะทาอย่างไรกันดี จะอยู่พบหน้าหรือว่าเรื่องนี้ท่านโกนธัญญะมีความคิดเห็นอย่างไรพวกข้าพเจ้าทั้งหลายพร้อมจะปฏิบัติตามคำท่านในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้าขอบใจมากนะมหาราาเออพู้ทะไรวับปากกทียอมสิจีข้าก็จะทำยิ่นนั้นว่าไรก็ว่าตามกันข้าวั่าปาก็เห็นด้วยเชิญท่านโกนธัญญะก่าวมาได้ขาเฉ น, นั้นก็ตั้งใจมากน เมื่อสมณโคดมเข้ามาข้าคิดว่าเราควรจะทำ นาผู้แสดงสัจพฤษศรีหเมตีปัรทรัตน์พลเกียรติบุรชนสันสีศริยาพร์วรการเจริญดีเปรียมกมลโชติกาสเดียนธานิตสีสินรัตเกณฑิศเรืองศรีสุพิศราพัน์เจริญพิทยารักสุธิพัฒนอ์อ่อนปรางจรุพัฒน์เสวตรรัตน์โชติกาเสเวตรวตรัตน์อรวีนาเจริญพิทยารักนัทพงศ์มัฒนาบุญญาบัณฑิศีนรวรการเจริญดีกำกับการแสดง สัจพพลสีหเมธีอานยการฤๅ